เ อ, อก่อนหน้านี้ในช่วงพรรษาทอดผ้าป่าหลวงพ่อนไปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ก็หาทุนเพื่อซื้อรถเพราะว่าโรงเรียนใช้รถโคโลคอนส่งรถสองแถวไม่ใช่รถหรูหราโออาเนี่ยแหละรถบรนนอกแต่ก็ซื้อรถเก่ารถมือสองจะโอนเข้าเป็นของรัฐบาลก็ไม่ได้เพราะมันรถเก่าแต่เน่ยก็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 เพื่อจะเอารถคันเก่ามามาซื้อรถคันใหม่แต่ถึงยังไงก็เงินก็นยังขาดอยู่แต่มากราบเรียนหลวงพ่อเท่าไรก็รถคันนี้ราคาหนึ่งล้านี่หบาทแต่นี่ยังเงินยังขาดอยู่สี่แสอบบาท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 พวกเราวัดของเราสมทบเข้าไป4 2 9 20,948 บาทนะหลวงพ่อก็จะจัดการแต่เมื่อวานวันก่อนก็ไปไประชุมเกี่ยวกับเจดีของหลวงพ่อคูณสุเมโธอเภอบ้านผือนั่นก็ขาดเงินอยู่หล้านแต่ก็รวมกันในวันนั้นวัดของเราก็ได้เสียสละออกไปอีกสองแสนแล้วก็โยม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 จนงานหลวงปู่สาเร็จรู่งรุ่งไปด้วยดีหมดไปหลายเงินีเดียวหลวงพ่อก็เลยไม่อยากจะคิดมันอีกต่างหากในค่าใช้ใจ่ายพอถึงยังไงก็เป็นการบูชาพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระคุณของท่านเหนือเหลือลน้นคารนาเรื่องปัจจัยของเรานี่จิบจ้อยนะเรื่องปัจจัยที่ได้มาของเรานะ่ยจิบจ้อยนะแต่พระคุณของท่านน่มหาศาล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 ธรรมมคือคําสอนที่จะได้สําเร็จมัคสําเร็จผลหลวงพ่อมั่นใจว่าพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่เห่อดอยากพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่เหตตกไปในที่ชั่วหลวงพ่อมั่นใจอย่างนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงอยู่ในสถานะที่ว่าเป็นพระสงฆ์มีอะไรก็ใช้ตามอัตภาพ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 เศรษฐกิจพอเพียงคือให้รู้จักหาจากขี้เกียจในการหาหาในทางสุดจริตทำไงานสุดจริตอย่าไปคดอย่าไปโกงอย่าไปป้นอย่าไปวี่อย่าไปเปียดไปบงังอย่าไปขอรับชั้นให้ซื่อสัตย์สุดจริตในการหาในมือหาเงินได้แล้วให้รู้จักเก็บเป็นบางส่วนแล้วก็ให้รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่ใช้ไม่เป็นก็เสียหายนะทําให้เดือดร้อนตนเองเหมือนกันเพราเหตุไรเพราะได้เงินมามากๆเพราะได้เงินมาแล้วหาอด้วยความยากลําบากมาแล้วเน่ะเพราะได้เงินมาแล้วนี่ยไปหาซื้อคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนยาบ้ายาม้ามาเสพมากินอได้เงินมาแล้ ว, ว, ว, ลลวนะ อ, วอายยาทอาํ า, า, า, า, า, า, าทให้ตัวเองติดคุกติดตารางไปอีกเพราะใช้ไม่เป็นอมากกว่านั้นกว่านู้นอนะ่ะได้เงินมาแล้วก็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 วัตถุแต่ถึงอย่างไรทางด้านจิตใจระหว่าการสร้างการเป็นอยู่ของพวกเราในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านให้เสื้อเรื้อกรกร ม, รรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าใครทำกรรมชั่วแล้วจะดีจะดีได้ที่ไหนถ้าทากรรมดีแล้วจะชั่วได้อย่างไรกรรมชั่วอย่าทำเสีดยดีกว่า เพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังในพุทธภาสิทธิวาอากตังทุกตังเสยโยปัชชาตปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าทำเเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังให้พวกเราคิดดูให้ดีนี่แหละคือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอมตะวาจา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 แต่กรมอคตมเห ส, สีสองอิดฉ้ากันพระเนรสูรก็เลยเผาป่าจาราจมลเทียนของพระเจ้าของนางสามาวดีไม่มอดวายไปหมดทั้งบริวารก็ตายทั้งห้าร้ออีกต่างหากพระสงฆ์ท้งหลายได้กราบทูลพระพุทธเจ้าพระนางสามาวดีเป็นพระโสดาบันเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า แล้วก็ถูกไฟเผาในราชมนเทีนในเวียงวังอีกต่างหากพระสงฆ์ทั้งหลายก็แปลกใจทำไมทำกรรมอะไรจึงเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ว่ากรรมกรรมคือการกระทาทำไมกรรมหนักอย่างนั้นพระเจ้าข่ะพระองค์บอกว่านางสาเมา ว, วดีสมัยก่อนเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพมมทัตแต่นี้พระเจ้าพ ม, มาทัต ท่านดูแลพระปเจกพุทธเจ้าแปดองค์ที่เขามาฉันใน้เวียงวางเป็นประจำจากนั้นพอออกพรรษาแล้วพระปเจกพุทธเจ้าก็าลาลาพระเจ้าแผ่นดินไปกลับไปอยู่ตามที่พระปเจกพุทธเจ้าอยู่ที่ป่าหิมพานจากนั้นมีพระปเจกอ ง, องค์หนึ่งในแปองค์นั้น ท่านก็เห็นอว่าในภูเขาเรานักคงจะหนาวเขาบางท่านคงจะมาเข้าไปเข้านิโรธสมาบัติอยู่ในฝั่งแม่น้ํานักคงจะเป็นกอไผ่หรือว่าเป็นพงหญ้าน่ะเป็นที่มืดคืมพระประเศษพระพุทธเจ้าก็เข้าไปนเข้านิโรธสมาบัติตรงนั้นน่ะท่านก็ตั้งเจตทิฏฐานเอ ดูเจ็ดวันนะ่ยคือพระประเจกาพรุทธเจ้าเนี่ยเวลาเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยท่านท่านจะตั้งจิตอธิษฐานมากร่างกายของเราอย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่าได้มีอะไรเสียหายคือตั้งจิตอธิษฐานคล้ายๆว่าพระประเจกาพรุทธเจ้าท่านไปหาที่ปลอดภัยที่ปลอดภัยแล้วก็ท่านเข้าไปเอ า, เอารถไปจอดไว้ลักษณะอย่างนั้นนะถ้าเราเปรียบเทียบไม่เห็นอย่างชัดๆเลย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 พระปเจกท่านข็เข้านิโรธจำมาบัดกับลักษณะอย่างนั้นนะท่านไปจอดเครื่องไว้ใ น, ในที่ปลอดภยัยแต่ทีนี้อคคมเหสีของพระเจ้าพรมทัดกับพระเจ้าพมทัตนะเมื่อหมดภารกิจแล้วท่านก็ในการดูแลพระปเจกพุทธเจ้าแล้วทั่านก็มาอาบน้ำในแม่น้ำํำพออาบน้ําในแม่น้ําสนุกสนานเขาก็คงจะกันไว้พวกทหารตำรวจเขาก็คงจะกันไวนะ้เนี่ย ให้เป็นที่เล่นน้ําของอัคคะเมห์ศีรพกสนมนารีเนี่ยเป็นตั้งสี500นะ่ห้าร้อยเนี่ยพออาบน้ําเสร็จก็นหนาวแล้วท่เนะี่ยฝนลงแม่น้ำหนาวขึ้นมามองไปมองมาพอเห็นอกอไผ่เรียกว่าพงหญ้าที่มันตายขุยนะใช่ไหมมันพงหญ้าจากนั้นก็จุดไฟเผาะเพื่อฝิงไฟนะแต่เนี้เขาก็ไม่ได้เห็นว่าเพราะพระประเจกอยู่ที่นั่นท่านเะน่ พ่อปเจกก็อยู่ในในพงหญ้าน่ะเพราะจุดท่านเยไฟเผาแทานไฟเผาแล้วก็ผิงไฟกันพอไฟยกลงไปไปเห็นพรอประเจกนั่งเอ่อนี่หละคือว่าพรอประเจกเนี่ยถึงจะไฟไหม้ก็ไม่ไห ม, ไม้เพราะท่านตั้งจิตอธิษฐานโดยอิทธิฤทธิ์ของท่านแต่ท่านก็นั่งอยู่อยู่ธรรมดาอันนี้คือไม่เจตนาเอ่อพอเห็นไม่เจตโอ้โหตายพระปเจกพุทธเจ้าท่าน เป็นที่เคารพของพระเจ้าแผ่นดินอถ้าท่านรู้ว่าพวกเราเอาไฟเผาพระประเจกพุทธเจ้าอย่างนี้แหละเมื่อรู้ถึงพระเนตรพระกันพระเจ้าพรมธาตุเข้าตายและตายแล้วพวกเราเนี่ยพวกเราก็คงจะโทษขนาดหนักเพรเผาพระประเจกเนี่ยเอาเถอะพวกเราหาฟื้นมาอีเองคนทั้งห้าร้อยใช่ไหมใครเห็นที่ไหนฟื้นหยุดในละแวกนั้นก็ขนเข้ามากับ โยโนเขามาสมใหญ่เลยทเนี่ยเพื่อให้ไหมพระปริเจกพุทธเจ้าชพอสมเข้าไปเแล้วก็ต่างคนก็ต่างกลับเพียงวังแหละานพอกลับไปพระปริเจกพุทธเจ้าอย่างที่ได้พูดเบื้องต้นว่าถึงใครจะทอนทุบอะไรก็ตามร่างกายพระปริเจกพุทธเจ้าจะไม่มีการลักายผิวเลยอันนี้โดยอิทธิฤทธิ์โดยบุญบา ร, รมีหรือว่าด้วยจิตอธิษฐานของพระประเจกพุทธเจ้า จากนั้นพอนางบุรีหล่นั้นกลับไปแล้วก็พระปฏิจเจกกพอถึงกำหนดเจ็ดวันพระปฏิจเจกกลุกขึ้นมาสบัดผ้าจีวร อ, ออกแล้วท่านก็เดินตามปกติไม่มีอะไรที่จะละคายและเคืองผิวของท่านเลยแม้แต่น้อยเดียวอันนี้คืออํานาจอิทธิฤทธิ์ของพระปฏิจเจกพุทธทเจ้าแต่บาปกรรมตอนนั้นนะสิท่นเนี่ยนางที่เป็นหัวหน้า ออกจากชาตินั้นเราก็ลงไปลกสู่อเวจีมหานรกถนะิ่นเองแล้วก็ บ, บริวานก็นตกนรกไปด้วยแล้วก็ถูกเผาไฟไปด้วยนะพอมาเกิดภพนี้ชาตินี้นางสามาวดีเป็นอัคคคิเมเหสีของพระเจ้าอุเทนที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าที่นางหันกหัดเจดีลิงนี่แหละพระเจ้าอุเทนองค์นี้แหละจากนั้นก็นถูกเผาในปราศาสตรทั้งบริวานทั้งห้าร้อย เพราะว่ากรรมคือการกระทาได้เผาพระปเจกพุทธเจ้าที่ฝั่งแม่น้ำแต่ตาไม่จริงทีแรกไม่เจตนาการไม่เจตนาเนี่ยไม่เป็นบาป ừ, เมื่อเผาเสร็จแล้วเห็นพระปเจดนั่งอยู่โอ้ขอโทษขออภัยแล้วดูท่านแล้วก็เป็นยังไงแต่นี้ไม่เป็นอย่างงั้นท่เยเพื่อเผาให้ไหม้ไปเลยเนี่แหละบาปกรรมตัวที่สองเนี่ยมันหนัก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 ลูกน้องของนางสามาวดีเนี่ยเป็นผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกแต่ร่างกายค่อมแล้วก็ได้สำเร็จพระโสดาบันแล้วทำไมยังมาเป็นคนใช้คนรับใช้ของนางสามาวดีพระพระพุทธองค์บอกว่ากรรมกรรมคือการกระทำของนางนางคุคุชชะชุตตา ค, คุชชะชุตตา เป็นคนใช้ของนางสามาวดีพระสง์ก็ถามว่ามันกรรมอะไรพระเจ้าข่าพระองค์บอกว่านางนี่เป็นคนค่อมคือคนหลังค่อมเออคือพระประเจกพุทธเจ้ า, จามามาฉันในตระกูลแต่พระประเจกหลังค่อมนางนี่ก็เลยเมื่อพระเจกยังมาไม่ถึงนางก็เอ า, าผ้ากำพลคุมตัวแล้วก็ทำเหมือนกับพระเจกหลังค่อม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 เห็นว่าพระพระเจกอุ้มบาดเหล็กน้ําร้อนนางก็เลยถอดกําไลแขนยื่นให้พ่อถวายพระพระเจกบอกว่าให้ลองให้ลองก้นบาดบริวารทั้งห ล, ลายก็ถอดอกําไลแขนเหมือนกันคงจะเป็นกำไลใหญ่พอสมควรให้ลองก้นบาทเพื่อไม่ให้มันร้อน น, นี่แหละอันนี้คือนางคนนี้ใช้ปัญญาเอถวายพ่อพระเจดพุทธเจ้านางจะเป็นผู้แตก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 เต็มเป็นผู้มีแตกฉานด้วยปฏิสัมพิษพิทายาณอีกต่างหากวันหนึ่งท่านก็เลยอยากจะมาเยี่ยมตระกูลของตัวเองที่เคยอยู่รู้จักมกคุณพอเข้ามาในานางคุคุชชาเนี่ยเป็นทิดากำลังแต่งตัวสวยกำลังส่องอยู่หน้าในกระจกอะพอนางพิกชนีนะขึ้นไปพอขึ้นไปก็ไม่มีลูกน้องบริวาร นางคู่ชุดชาที่จองกระจกไม่มีลูกน้องอ่ะก็เลยอยากจะได้กระเช้าเครื่องแต่งตัวที่ห่างจากตัวไปเออก็เลยบอกว่าพระแม่เจ้าขอหยิบกระช้าให้หนูหน่อยนางภิกษุณีก็บอกนางคู่ชุดชามาใช้เรามาใช้เราแต่ก็ถ้าเราไม่ไม่หยิบให้นางก็จะโมโหโกรธ ความโกรธตัวนั้นน่ะนางจะไปตกนรกแต่ว่าเมื่อเราหยิบไปให้หยิบไปให้นางนางก็ได้ใช้แต่นางจะได้เป็นคนรับใช้คนอื่นตลอดนานเท่านานพอกกรรมที่ตนเองได้กระทำในครั้งนี้เอาเถอะอย่าไปถึงกระตกนรกเถอะเพียงแต่ใช้กรรมเป็นคนใช้คนอื่นก็ยังดีนั่น่ะนางพิชุนีท่านรู้อดีตอนาคตทั้งหมดท่านก็หยิบกระเช้า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 โซฟอออกจากรถคันนี้แล้วก็จะไปสู่ความทุกทุกยากลําบากนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะในหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนานานๆหลวงพ่อจะพูดให้ฟังว่ากรรมกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วกรรมชั่วจะทําเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังรถคง อยากจะให้หลวงพ่อหยุดมั่งพวกเรารับพ่อนนทกนีนนะรถมันร้องแล้วพ่อหลวงพ่อพ่อว่างั้นนะ <laughs>